เครื่องทดสอบของมนุษย์ก็ไม่ต้องยากก็คือเอาศีลธรรมไปเครื่องทดสอบเป็นเครื่องวัดผู้ได้แสวงหาศีลหาธรรมก็รู้ได้ว่าผูนนาานา้นั่นเขารลพระพุทธศาสนาแลื้อเขารลิตนด้วยเขารลิกทำด้วยเขารลปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นคนตาสูงด้วย เป็นคนปัญญาสูงด้วยจนผู้ชอบขรั่งควรด้วยเป็นนักเหตุนักผลในทางพระพุทธศาสนาด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงสิ่ ง, งอื่นๆไม่สำคัญเครื่องวัดเครื่องตวงของมนุษย์ก็คือสินธรรมเครื่องรุ่งเครื่องผมภายนอกถ้าผ่อนทอดสบายสังหาริมารั์หรืออังสังหารีมาซั์ก็ดี ก็เป็นของสําคัญส่วนหนึ่งแต่ไม่สําคัญเท่าศีลธรรมจึงธรรมเป็นของสําคัญเฉพาะผู้ถือพระพุทธศาสนาผู้ตรงเงินข้ามก็ยกว่าไม่เอามากล่าวคําสอนใดในวัดตาสงสารไม่เท่าคําสอนของพระพุทธศาสนาหอวจับ ก, ก็ดีด้วยคําสอนก็ดีด้วย เป็นจริงด้วยไม่มีเท็จด้วยผู้ใดเอาไปปฏิบัติก็ไม่ขาดทุนผู้ปฏิบัติน้อยก็สมน้อยผู้ปฏิบัติมากก็สมมากไม่ขาดทุนเลยผู้ใดกิบเกลือน้อยก็เค็มน้อยกิบเกลือมากก็เค็มมากหวานก็เหมือนกันพิษก็เหมือนกันไม่นี้จากรสชาติตามธรรมชาติของธรรมะที่นี่คํา ทาคําสั่งสอนของพระบรมศา ส, สดานั้นจะมีมากมายเป็นสายเป็นกองถ้าจะลองกับประมาณก็แปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าหากว่าจะย่นลงมาก็ยุดลงมาที่กายวาจาใจของเรานี่เองย่นลงเป็นสามย่นเป็นที่การนิบาทย่นเป็นกระทูก็มีสามกระทู กรทูกกายกระทุกอายจาร์กระทูกใจกระทูกทั้งสามนี่ถ้าไปทําดีผลของความดีก็มาหาถ้าไปทําชั่วผลของความชั่วก็มาหาไม่ต้องเอ่ยเรียบทางดีและทางชั่วมาหาทันทีทันการทันเวลาเหตุผลในปไปในทางดีผลของทางดีก็มาเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจผลผลก็เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยนะเห็นอยู่กับตาท่านทั้งหลายมีนี้จับเหตุแต่เหตุในทางพระพุทธศาสนาจัดโดยย่อมีสองเหตุโลกิยะเหตุโลกุตละเหตุโลกุตละเหตุนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหัตธรรม ส่วนอรหัตผลเม่เป็นผลเชื่อมโยงมาหาเหตุเป็นผลขาดตอนส่วนโลกิยะเหตุโลกิยะผลนั้นเป็นส่วนเกี่ยวกับทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากทางวัตถุนิยมก็มีดินน้ำไฟลมพระแ่งแซ่บสันออกกากดินน้ำไฟลม ส่วนอุรม์คติเกี่ยวกับจิตกับใจที่ทุกข์กเข้าไปกับ โ, โบรโปวดหลงทำคำสอนของบรมศาสดาเป็นทำคำสอนเทบันเทา โ, โรโปวดหลงให้เบาบางและเหื่อแห้งหายไปถ้าเอาไปใช้ในทางถูกถ้าเอาไปใช้ในทางผิดก็ทวีคูณมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ คำสอนแต่ละวัดละบาทเป็นโลกุตระทั้งนั้นคำสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศานับแต่ศีลห้าเป็นต้นไปศีลห้าเป็นโลกีหรือเป็นโลกุตระคำสอนของพระบรมศาสดาศาีลห้าเป็นโลกุตระ ศ, าศาี ล, ลถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เอ า, าศาสด า, าอื่นมาปะปน ก็เป็นโลกุตระศัทธาถือทั้งพุทธบ้างถือทั้งพรามบ้างถือทั้งผีบ้างอะไรบ้างร้ายบ้างเข้าก็เป็นวิจีกิจธาเป็นลังเลยังไม่ถึงโลกุตระเจตนาและยังไม่ถึงโลกุตระศัทธาอีกด้วยเมื่อไม่ถงไม่ถึงโลกุตระศัทธา ก็ไม่ถึงโลกุตละปัญญาก็ไม่ถึงโลกุตละศีลอยู่ในตัวสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธผู้หวงพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะพิจนารณาทั้งนั้นถ้าพุทธศาสนาย่นลงมาสั้นถ้าเป็นเอกานิบาตก็ลงมาหาใจ เพราใจเป็นต้นเหตุผู้รับผลของเหตุก็ใจเป็นผู้รับผู้สร้างเหตุขึ้นก็คือใจเป็นผู้สร้างเมื่อสร้างเหตุขึ้นแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําดีและชัว่วเมื่อจิตใจ <c oughs> มีการมรรตตกทีนี้ความตรีในทางกามผลของใจก็นํามาให้ในเวลานั้นในการมรรตตกเมื่อจิตใจ ส่งเสริมพยาบาทวิตกความ ผ, ผลของความพยาบาทก็นำมาหาจิตใจในเวลานั้นเมื่อจิตใจส่งเสริมวิหิงสาวิตกผลของความเบียดเบียนก็มาหาใจในขณะนั้นอาการลิกูให้ผลไม่มีการให้ผลไม่มีเวลาจิตใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา เราเดินไปก็เหมือนกันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเวลาแดดสองเงาเข้าไปตามเราผลของเหตุตามไปยิ่งกว่าเงาอีกด้วยเงาในที่มันมืดก็ไม่ค่อยจะเห็นเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงอาศัยหลักของเหตุเหตุปัจโยเหตุเป็นปัจจัย ในมหาประธานอนันตนใยปัจจุบันนเหตุปัจจุบันนผลอตีตเหตุอตีตาผลอนาคตตเหตุอนาคตตาตผลใครเป็นผู้สร้างขึ้นรพรพญาคิตราชคนเดียวเป็นผู้สร้างขึ้นตาหูจมูริ่นกายเขาไม่ได้แยงสร้างเพราะเขาอยู่ใต้อำนาจพระพญาคิตราชถ้าพรญาคิตราชฉลาด ก็ต้องพาเขาสร้างอันดีเพราะเราเป็นหัวจากเขาเวลาเขาช่วยได้เวลาเขาบอกได้ไปเป็นเมื่อเวลากายและวาจาเขาไม่ยอมทำตามพญยาคยิตราชพญยาคยิตราชจะไปสั่งก็ไม่ได้อีกสั่งให้กระดิกก็ไม่ได้สั่งให้ไปก็ไม่เป็นพากายก็วาจาเปรียบเหมือนรถเมื่อรถไปไม่ไหวผู้ขับรถ จะตี อ, อกทกเสียงให้ไปก็ไปไม่ได้เพราะชำรุดชุดโซมมากมด ท, ทาที่จะยกเครื่องมด ท, ทาที่จะดัดแปลงก็เลยทิ้งกันหาซื้อคันใหม่ถ้าเบื่อนายในรถแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกเช่ในใดก็ดีถ้าหากว่าเบื่อนายในชาติชาติพบพบแล้วก็ไม่ต้องไปก่อพบอีกใครจะเป็นผู้เบื่อนายใครจะเป็นผู้ผคลายกาหนัก ก็พยาจิตลาภคนเดียวสีนยตนลงมาหาเอกศีนสีน5ก็ย่นลงมาหาเอกศีนสีน2 2งก็ยนกต์็ยนลงมาเสียชีระขันหมวดสีนย่นลงมาหาเอกศีลในปัจจุบันสมาธิขันหมวดสมาธิยตนลงมาหาเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาขันหมวดปัญญายตนลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบัน มิมุติญาในทัศนขันมิมุติขันหมวดมิมุตหลุดพ้นความเข้าใจผิดเรียกว่ามิมุตหลุดพ้นความเข้าใจผิดไปเป็นันตอนเรียกว่ามิมุตเพราะมันไม่ขัดบทคืนเพราะย่นลงมาหาเอกาวิมุติในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในปัจจุบันหมดไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อะไรต่ออะไร เช่นคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เราบุญเพอไม่มีเลยปัจจุบันที่วัตถุหยาบๆก็เอามาอ้างได้กุฏิวิหารชลาลงธรรมตลอดถึงเครื่องลุงห่มที่อยู่ที่อาศัยจีวามิทธบาตเชนาสนะของหยาบๆอย่างนี้่คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ละในทางวัตถุที่นี่ในทางอุดมคติสอนให้ละชั่วประพฤติดี ไม่มีประมาณอีกเชอะเลยนั่นคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีคุณค่ามากหาประมาณไม่ได้เนี่ฉะนั้นท่านผู้มีปัญญามากยิงระลึกได้มากผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกได้น้อยเหมือนคนที่มีเชือกสั้นถึงแนกใกล้ผู้ที่มีเชือกยาวก็ถึงแนกไกลผู้ที่สายตายาวก็มองได้ไกลผู้ที่สายตาสั้นก็มองได้ใกล้ผู้มีกําลังก็แบกของหนักได้ผู้ไม่มีกําลังก็แบกของไม่หนัก ของหนักไม่ได้ชั้ในใดก็ดีผู้มีปัญญามากก็ยิ่งเห็นพระคุณของพระบรมศาสตร า, ศ า, ศาคุณพุของพระบรมศาสตราอยู่ในที่ใดคุณของพระธรรมคุณของคุณของพระอริยสงฆ์กระกมกืนกันอยู่ในขณะเดียวกันในที่นั้นไม่ได้แยกกันไปทางไหนกระคาดก็ว่าเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาก็เห็นจมูกเหนั้นกันชั้ในใดก็ดีเมื่อเห็นคุณพระพุทธ ก็เห็นคุณพระธรรมก็เห็นคุณพระสงฆ์เมื่อเห็นคุณของพระธรรมก็เห็นคุณของพระสงฆ์เห็นคุณของพระพุทธเมื่อเห็นคุณของพระสงฆ์ก็เห็นคุณของพระธรรมและพระพุทธอีกเหมือนกันอัน <Kristin>. เดียวกันไม่ใ <VIE> ช่อื <modification> ่นเลยเมื่อเห็นหนังก็เห็นเนื้อเห็นกระหลกพระเ่งอาศัยกันอยู่ถึงเรานี่ไม่เป็นหน้าที่เราจะสงสัยเราจะสงสัยไปไหน ผู้ทำดีก็เป็นเราผู้ทำชั่วก็เป็นเราทำอะไรก็ทำให้เราใครทำใครได้ความดีก็เหมือนกันความชั่วก็เหมือนกันจึงสมมุติเป็นตัวตนเราเขาขึ้นอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทำเป็นที่พึ่งของทำมีความหมายอันเดียวกันสมมุติเป็นตัวตนเราเขาสัตบุคคลเสียก่อนในฝ่ายเขียน เพราะไม่ยังไม่ถึงในในการที่จะลกิตกต้องต้องเขียนเสียก่อนทําชั้นต้นในทางมระพุทธศาสนาสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสอนให้ยินดีในสวรรค์สมบัติสอนให้ยินดีในพรหมสมบัติ mm hmm. เมื่อศรัทธาแก่กล้าแล้วพอที่จะมองเห็นมนุษย์สมบัติก็มีโทษเพียงไหนมีคุณเพียงใด มีทั้งคุณและโทษเจอกันอยู่อยู่หรือหากว่ามีคุณล้นวนหรือหากว่ามีโทษล้นวนใจมีคุณเป็นมหันมีโทษเป็นอ น, นันต์พลิกไปในทางดีก็มีคุณพลิกไปในทางชั่วก็มีโทษใจเป็นต้นของวัตถุนิยม ผู้หลงมาเกิดแก่เก็บตายก็คือใจคือใจงูใจเขาทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, า, าเป็นกองปราบโง่เป็นกองทับทำธนวัตรปราบโง่ขี้ตีนีสมาธิวัดปราบโง่จิตฟุ้งซ่าน ปัญญาวัดปราบโง่กิเลสอันละเอียดที่ดองอยู่ในคันธัสดานการต่อสู้ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีกลางวันกลางคืนเมื่อยังไม่ถึงพระรหันต์เพราะกิเลสมันไม่มีกลางวันกลางคืนเมื่อกิเลสไม่มีกลางวันกลางกลางคืนทําเครื่องแก้กิเลสก็ไม่มีกลางวันกลางคืน ก็ต้องต่อสู้กันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจนชนะช้าชนะกิเลสหมดกาชนะสงครามล้างโลกโลกคือกิเลสสังขารคือกิเลสกองทุกข์คือกิเลสเพราะทุกข์มีมาเพราะกิเลสถ้ากิเลสไม่มีทุกข์ก็ไม่มีไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายเข้าสู่พระนิพพานไปนะพระนิพพานคืออะไรคือดับโพลนในวัตาสงสารเรียกว่าพระนิพพาน สบายใดที่จะดับเพลินได้ก็ต้องพิจารณากองทุกข์ให้เห็นอยู่พร้อมกับลมให้ใจเขาออกให้เห็นอยู่พร้อมกับขณะจิตที่นึกที่คิดตลอดถึงยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นกินอยู่ให้เห็นอันนี้จังชัดพร้อมกับลมเข้าลมออกยิ่งดีเมื่อเห็นอันนี้จังชัดจะเห็นทุกข์อยู่ในที่นั้นด้วยจะเห็นอันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอยู่ในที่นั้นด้วย อุบายอันนี้จะตัดศีลลงเป็นโลกุตธระศีลจะตั้งมั่นเป็นโลกุตธระสมาธิจะรอบครอบจะเป็นโลกุตธระปัญญาส่งสูงขึ้นไปเป็นลำดับนับวันจะแก้ความหลงของตนไปเป็นลำดับถ้าพิเจรนา น, านืงเนืองก็แก้ความหลงของตนเนืองเนืองแก้แก้ความเข้าใจผิดของตนเนเนืองถ้าไม่สงสัยก็ไม่ขบคืน ถ้าสงสัยก็ต้องขบถคืนตอบกันในธรรมชั้นสูงว่าอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ลงมาแล้วอนาคตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือกองทุกข์ที่ยังกำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือดินน้ำไฟลมที่ลงมาแล้ว อนาคตคืออะไรคือดินน้ำไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือดินน้ำไฟลมที่กำลังเป็นอยู่ที่สมมุติว่าเราเขาสัตวบุคคลประชุมกันเป็นกายเรียยว่าลูกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณความสวยอารมณ์ก็ดีความปรุงแต่งแห่งคิดก็ดีความรู้ในทางตาทางหูก็ดีเวทนาสุขทุกอุเบกขาก็ดี ก็ร่วงมาแล้วก็ยังไม่มาถึงก็กําลังทรงอยู่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแล้วแตกสลายของละเอียดก็แตกสลายตามละเอียดเกิดขึ้นตามละเอียดของขนาดกลางก็เกิดขึ้นตามขนาดกลางแปลปวนตามขนาดกลางดับไปตามขนาดกลางของหยาบก็เหมือนกันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยท่านมาโนโซพระควาพระบรมศาสดา ทรงพระชีวาอยู่เทศนาเรื่องนี้มากกว่าอันอื่นเพราะเหตุใดเล่าก็เพราะเหตุว่าจะเป็นนิยานิกระทานําสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารมโหฬารซาวะเกวินตินูปังอนิจจังเวทนาอานิจจ่าสัญญาอานิจจ่าเทศอันนี้มากเพราะสัตว์ทั้งหลายจะมีความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารได้โดยง่าย จะไม่สงสัยในชาติชาติพบพบอีกด้วยเมื่อชาติชาติพบพบเต็มไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายอันนิจจงทุกครั้งอนัตตาไม่จบเกษียณเสี ย, สยแล้วตัวนี้ถ้าเราเห็นชัดที่ไหนเราจะไปยินดีในชาติในพบความไม่ยินดีในชาติในพบความเกลีดความหลาบความละอาในชาติในพบนั่นก็คือตัวศีล น, นั่นก็คือตัวสมาธินั่นก็คือตัวปัญญาภาวิตาพระคงริยกตา ให้พิจารณาหนืองเนืองให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเพราะโรคโกรธหลงมันติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเราต้องพิจารณาให้มันทันมันอยู่ไม่ติดต่อไม่ขาดสายถ้าอย่างนั้นก็สู้มันไม่ได้เรานอนมันก็ไม่นอนด้วยฝันไปมันก็หลงฝันไปอีกมันกันมีปัญหาสอดเข้ามาว่า โลกนี้มีสุขหรือไม่พูดในธรรมชั้นสูงทีงนี้สุขของครือขัดมีสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นศินของใครสุขเกิดแต่ทําการงานที่ปราศจากโทษสุขของเครือขัดสุขของบรรพชิพ สุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระรหันเรียกว่าโลคุตระสุขเหตุฉะนั้นการแผ่เมตตาให้เป็นสุขในวัตถุนิยมจึงเป็นจึงเป็นของไม่บริบูรณ์เพราะวัตถุนิยมเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแลแต่สลายถ้าจะแผ่เมตตาให้เป็นโลกุตละเมตตา สิงที่มีวิญญาณคลองเสียงทั้งทั้งตจโลกราตาจงเป็นสุขในพุธทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิด อ, อันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาในทางโลกุตระเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวนเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัยเป็นท่าที่ไม่เวเป็นเป็นอนัตตาท่าที่ไม่มีเวนไม่มีภัยด้วยสุขในพุธทธธรรมสงฆ์มันเป็นสุขก้าวหน้า สุขในพระสวัสดบิบาลก็จะก้าวหน้าถึงพระจกทาคามีก็จะก้าวหน้าถึงพระอนาคามีก็จะก้าวหน้าถึงพระอระหันต์ก็เป็นที่สุดทุกโดยชอบสุขในโลโกีเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารพระจิตใจไม่สามารถก้าวหน้าเพราะหลายบางที บางทีก็ต่ำลงบางทีก็สูงขึ้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะไม่มีใครรับรองเพราะพระธรรมยังไม่รับรองเพราะยังไม่มีคิวถ้าถึงพระสวสดาบรนแล้วความสุขใจจะทะวีขึ้นก็ะจะเห็นธรรมยิ่งขึ้นจะเหยียบเล็บความหลงของตนได้ต่ำกว่าพระสวสดาบันแล้วความหลงมันไม่กลัวละ ความโลภมันก็ไม่กลัวความโกรธมันก็ไม่กลัวถ้าถึงพระสะาวามันแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะเหือดแห้งหายไปทวีกลูลบวกทวีกลูลนัดทีศาสนาอื่นๆไม่ต้องเอามากล่าวเลยถ้าเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัว จะซ้ำคันตัววาเยหยิงจองหองสักเพียงไหนก็าตามก็ค่ายๆกับกา ก, า ก, ากับนกยูงเอาขนงอนของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาแทกแทงขนของตนเ อ, เอาคำสอนของพระบรมศาสด า, ามาเป็นคำสอนของตนตัวหัวหน้าของศาสนาอื่นๆไม่มีพระสวดาบันไม่มีพระตกทาคามี ไม่มีพระอน า, าคามีไม่มีพระอาหารหันต์เลยพระบรมศาสตรายืนยันแล้วทุกๆพระบรมศาสาเมืมอได้ยืนยันแต่พระโคตมวาพระกะกุสันโธโกนาคมโนกัสโปโกตโมอันนี้กะชัตรโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร0อยโกตรร่วมไปแล้วก็ดีจะมาในครั้งหน้าก็ดีก็ยืนยันในคำสอนของตนโดยไม่มีทิฐิมานะยืนยันตามความเป็นจริง สีหาในทางนัชชนเตเตพระบรมศาสดาทั้งหลายจึงเปล่งสีหาหนาดในพุทธบริษัทไม่ครั่นข้ามพราะทำขององค์ท่านเป็นทำอันจริงไม่ขี้เท็จข้ามโลกิยะไปแล้วอยู่ข้างหลังศาสนาอื่นๆก็คล้ายๆกับมากขาหักพระพุทธศาสนาเหมือนมากขาดี มาค่าฮักจะวิ่งก่อนสักสองสามวันก็ตามมาค่าดีวิ่งวันนี้ก็ผ่านไปเลยในที่นี้ไม่ได้พูดยกตนข่มท่านพูดตามเป็นจริงพระบรมศาสตร์ทั้งหลายก็ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเหตุฉะนั้นจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ถ้าพุทธศาสนามีเหตุมีผลมากลึกซึ้งเต็มทีบุคคลผู้มีวาสนามากยิ่งจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้ต่ําต้อยผู้ยังกิเลสหนาปัญญาหยาบฉะนันจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือผู้นั้นสร้างบารมีมานานแล้วแก่กล้าแล้ว ถ้าเป็นดอกบัวก็เป็นดอกบัวทูมแล้วและเสมอนาม้าแล้วไม่อยู่ในใต้น้ำเพราะเป็งจะเป็นพักษาแห่งปลาและเต่านี่สะสมอบรมมาหลายชาติหลายพบแลว้วจึงไหนมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวิชาพ ม, มาโลกพระบรมศาสด า, าพูดเอ่ยต่อศาสนาอื่นๆได้สบายวิชาพ ม, มาโลกของพระพุทธศาสนาไม่ยากดอกเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่จืดจางก็ได้ถึงพ ม, ม่าโลกมันพูดอย่างนั้นพระบรมาศาสดาไม่ต้องอดอาหารให้เกินไปจนสูบจนพร้อมดอกไม่ต้องย่างกิลเลสเหมือนไอคุบเหมือนพวกไอคุบไม่ต้องนอนขวากนอนหนามดอกเพียงเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงโลกก็ถึงพ ม, ม่าโลก พุทธแท้ทำแท้คือพระสสดาบาลเหตุฉะนั้นพระบรมศาสนาจึงยืนยันว่าสุปฏิปันโนยืนยันในพระสสดาบาลอุชุปฏิปันโนยืนยันในพระสักคาคามียยายปฏิปันโนยืนยันในพระอนาคามีสามีคิปฏิปันโนยืนยันในพระอรหันยืนยันว่านี่เนอสาวกของเราตถานะจะเป็นเพศไหนก็ไม่สําคัญ เพศขาวเพศดำก็ไม่สําคัญเพศผ้าเหลืองหรือผ้าขาวหรือหัวดําหัวโลดหรือไม่โลดไม่สําคัญสําคัญอยู่กับที่กลียดเบาบางและเหื่อแทงหายไปชาติชั้นวันนะ้ก็ไม่สําคัญรูปโฉมก็ไม่สําคัญสําคัญอยู่กับที่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นเห็นตนผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเคารพธรรมก็ผู้นั้นเคารพตนเคารพเราสาคตด้วยเคารพพระธรรมด้วยพระอริยะสงฆ์ด้ว ย, ว ย, อ, วยอันเดียวกันเสรดาวันสกทาคามีอนาคามีอรหั น, กน์ก็ดีพุทธบริษัทสี่ของเราไม่ปฏิบัติจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติทีนี้ถ้าวรมาศาสนาก็ฝากไว้กับพุทธบริษัทสี่ ภิกษุสามเณรอุบาสกุบาสิกาแต่ก่อนมีสามเณรีนางศิขามานาภิกษุณีเดี๋ยนี่ไม่มีก็ฝากไว้กับภิกษุสามเณรอุบาสกุบาสิกาถึงจะบวชตั้งขาวเป็นปชีสักเพียงไหนก็าตางเพศผู้หญิงจะว่านางภิกษุณีก็ไม่ได้จะว่านางศิขามานาก็ไม่ได้จะว่าสามเณรีก็ไม่ได้เพราะท่านยกเลิกกันไปแล้ว ฉันแม่ขาวแม่ชีก็บอกเพียงเป็นอุบาชิกาเท่านั้นผู้จะเป็นแพศขาวส่วนโยมก็บอกเพียงว่าเป็นอุบาสกเท่านั้นอุบาสกในทางพุทธศาสนาก็นับแต่พระสวัสดาบันขึ้นไปอุบาชิกาในพระพุทธศาสนาก็นับแต่พระสวัสดาบันขึ้นไปในฝ่ายพิทุสามเณรก็เหมือนกัน จะเป็นพิสษจสามเญเรีนเนยเต็มพมงก็นับแต่พระสวสดาบันเป็นต้นไปแล้วรองนั่นก็เป็นสมมุติตั้งก่อนนั่นลงมาพวกนี้มีคติรุดหน้าไปไม่ถอยหลังและไม่สงสัยในหนทางที่ตนเดินด้วยไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติของตนด้วยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นของลราชสมัย ตนล่าสมัยแล้วไปตูพพ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่าสมัยไปตู่ศาสนาล่าสมัยตนล่าสมัยไม่ตู่ตนล่าสมัยไม่ทวนกระแสดูตนแต่เป็นเฉพาะที่พวกโง่ก็กรรมของเขาพาให้เป็นไปผู้ที่เขาไม่โง่เขาไม่โตออกมาก็ตามเขาเข้าใจดีเขาก็หัวเราะทีนี้เมื่อประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่า บาปไม่มีบุญไม่มีก็เป็นเรื่องสอสแสดงให้เขาเห็นภูมิจิตภูมิใจของตนอีกด้วยเท่านั้นก็พอแล้วทําไมเขาจะไปโต้เถียงเถียงงอนผู้เขารู้แล้วพระพุดดทธศาสนาแท้ไม่ได้หวังเอาแพ้เอาชนะกับท่านผู้ใดเลยแพ้ก็แพ้กิเลส ข, ของตัวชนะก็ชนะกิเลส ข, ของตัวต่อสู้ก็ต่อสู้กับกิเลส ข, ของตัวไม่ได้ต่อสู้กับอันอื่น ป่จจียสี่กีวามินธบาตเจนาชนะหากเป็นมาเองไม่ต้องกระเสือกกระสนหากว่าได้ก็ให้มีทำเป็นเครื่องอยู่ค่อยเป็นมาเองไม่ได้เปลือยกายไปบินธบาตต้องมีผ้าลุ่งผ้าห่มและไม่ได้ชั้นดินต่างข้าวก็ต้องในชั้นอาหาร ถ้ากเกษระกสนแสวงหาปัจจัยสี่ยิ่งกว่าหวังทุนทุก์ในวัฏสงสารแลว้วก่อนนับทิพย์เปรุกก็ไปไม่รอดคําว่าไปไม่รอดจะหมายขนาดไหนไม่สามารถถึงปัจสดาบันไม่สามารถถึงสกทาคามีไม่สามารถถึงอนาคามีไม่สามารถถึงพลังหันภูมิใดภูมหนึ่งเรียกว่าไปไม่รอด ไม่ถามพระพุทธศาสนาถ้าคนไหนบวชจนถึงวันตายก็เรียวกว่าไปรอดนั่นมันก็ไม่ถูกันหมายถึงการเห็นธรรมปฏิบัติธรรมใครเป็นผู้เห็นผู้ใดเห็นก็เป็นผู้นั้นผู้ใดปฏิบัติก็เป็นผู้นั้นพมอบไว้ให้เจ้าตัวเป็นศีษกับเจ้าตัว เผ็ดก็มอบให้เป็นศิษย์กเจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินเค็มก็มอบให้เจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินไม่ได้บังคับเป็นเพียงแนะนำเท่านั้นพระบรมศาสนาจึงเป็นศาสนาไม่ได้บังคับถ้าเป็นศาสนาที่บังคับและให้สิลบนรางวันให้สิ่งสินบนรางวันกับผู้มีกิเลสให้ให้ทอดายมันก็ไม่พอทึ้งฟื้นใส่ไฟมาทอดายมันก็ไม่หมด เมื่อเวลามีของเจ้ามันก็ทําดีเ ม, มื่อไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีของเจ้ามันก็ถอยหลังเหตุนั้นศาสนาพุทธศาสนาจึงมอบให้สิทธิ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติสันทิที่โกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็เห็นเองอีกด้วย แต่ท่านไม่เอามาพูดเพราะมันจะฟั่นเฟือมากเช่นพวกที่พ้นถึงเขาจะปฏิเสธว่าไม่เป็นเขาจะเพียงไหนก็าตามเขาก็รู้จักจว่าเขาพ้นอยู่นั่นก็เป็นสันทิฐิโกอย่างหนึ่ง mm hmm. แต่ท่านไม่เอามาพูดเพราะมันจะฟั่นเฟือเกินไปเอาเพียงพระสวดาบาลเท่านั้นขึ้นไปเป็นลําดับจนถึงพระอรหันต์ ปฏิบัตพระพุทธศาสนามันก็มีเครื่องทดสอบถ้าหากว่าเรายังยิงยนดีในการพานันทางปวงอยู่ก็ให้ทราบเถิดว่าปัญญาของเรายัง อ, อ่อนมันเป็นเครื่องทดสอบตัวเองเหมือนกันเรายังไม่เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาและเราก็ยังไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมือนกันอันนี้ ค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าพอเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษถ้าเรายังยินดีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ใกล้จะถึงพระโสดาบันนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันครบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีในพระโสดาบันเลยไม่เสียดายอยากจะทาเอกด้วยไม่ถือว่าเป็นของหนัก ถ้าหากว่าวงละเมิดเทือเป็นของหนักพอเห็นชอบแล้วอริยการตังภาังสิตังเป็นอริยการตศีลคือศิลปาสังเคภาษาโดยักษ์สถิเป็นพระสงฆ์ในพระประมัติแล้วอุชุภูตันจะรัชนงเห็นตรงแล้วตรงไปพระนิพพานไม่ได้ตรงเพื่อจะอยู่ในวัฏฏะสงสาร ให้ทานรักษาศีลภาวนาอันใดก็ตามท่านพูดจิตใจถึงโลกุตระแล้วก็มุ่งเพื่อพ้นทุกข์ในวัตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัตาสงสารแล้วปัญหาของมันก็ไม่ยุ่งเหยิงแก้ก็แก้ง่ายมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายด้วยถ้าหากว่าประพฤติพระพุทธศาสนา หวังปัจจัยสี่หวังลาบหวังยศหวังสรรเสริญสารพัดอยู่มันก็ยุ่งเหยิงกันไปไม่มีหนทางที่จะแก้เหมือนเก็บปูใสกระดง้งนันก็ค้างหรือตายออกไม่ไหวอีกแล้ว ถ้ า, าว่าเห็นภายในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แล้วการแบบปฏิบัติพระพุทธศาสนามันกด็ดูไม่เหมือนเกลียวหวานถ้าหากว่ามาเห็นภายในวัดตาสงสารเห็นแต่เพลินอญกูจะแข่งดีในการร่าการรวยในการลาบการยศถ้าไปแถวนั้นมันก็ไม่ใกล้ภูมิพระโสดาวันภูมิพระโสดาวันจะให้เข้าเม็ดหักผักเส้นหนึ่งก็ตาม จะมีแต่มือนอ็อกก็ตามไม่มีสมบัติภายนอกจิตใจก็ยังถึงพระนิพพานอยู่พอเห็นภายในวัดจ้าสงสารอย่างเต็มที่ไม่มีใครจะมาโกหกพกลมได้เลยเพอเห็นอยู่กับตาพอเห็นอันนี้จังชัดพอเห็นทุกขังชัดเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาก็จริง ผลของเกิดแก่เก็บตายก็คือทุกข์ผลของความเกิดขึ้นแตกสลายไปก็คือทุกข์จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าโลกยัดเยียดเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทีนี้ เขาค่อยๆก็ว่าเราเห็นโลกชัดเราเห็นความเกิดเป็นทุก <'S> ข <ton> <tr> ์ขณะจิตเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกเกิดเราเห็นทุกแก่ขณะจิตเดียวถ้าเห็นด้วยปัญญาอันชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกแก่เราเห็นทุกเก็บขณะจิตเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วในด้านปัญญา ในในด้านสมันตะจักสุจักสุคือปัญญาหรือจักสุคือรอบข้อปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาเราเห็นอ น, นิี้จังคณะเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วไม่ต้องหอเหาะเหินเดินอากาศไปดูสิ่งที่มีวิญญาณใจรองและไม่มีวิญญาณใจใจไม่ฟองไม่มีวิญญาณ อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปช่แล้วจะดีเด่นสักเพียงอะไรก็ตามก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจัง mm. เมื่อเห็นชาติอย่างนี้แล้ว mm. การสงสัยในโลกใดๆ mm. ก็ยุดหย่อนผ่อนลงข้ามเบร็คนี่ถึงบางโอถึงบางนาโอเป็นอย่างนี้อเป็นอย่างนี้นะหนอปัญหาก็าน้อยลงปัญหาก็าน้อยลงปัญหาก็าน้อยลงไม่ต้องอะไรแก้มาก ถ้าหากว่าโลกอันนี้เราเข้าใจมเป็นโลกใหม่ปัญหามันก็มากโลกเก่าที่เราเคยท่องเที่ยวมาในวัตตะสงสารนั่นเองมันมาเป็นรอบๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเข้าใจว่าเป็นข้องใหม่ก็ข้องเก่าที่เราเคยหายใจเข้าออกมานั่นเองการนึกคิดก็เหมือนกันเราเข้าใจว่าเป็นข้องใหม่ก็ข้องเก่าที่เราเคยท่องเที่ยวมาในวัตตฏสงสารนั่นเอง เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงกล่าวว่าความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนะพระบรมศาสดาความตรึกนึกคิดเป็นเครื่องสัญจรของโลกเป็นเครื่องทัศนจรของโลกเหตุฉะนั้นทมชั้นสูงจึงสอนให้เบื่อนายคลายเมาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ไม่ให้ติดอยู่สิ่งใดใดทั้งสิ้นธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นปัญญาจะแก้อนุสัยกิเลสที่นอนเนืองอยู่ในคันธะสันดานสมาธิความตั้งมั่นแปลว่ารบกบข่าศึกแล้วได้ล้มเพะดีแล้วก็ไม่ออกต่อสู้เข้าไปอยู่ที่ลุมเพะแต่ว่ายังไม่ตันชนะข่าศึก จะติดอยู่ในสมาธิก็ไม่ได้เพราะสมควรก็ต้องออกรบจะทาจะไม่อยู่ในลุ้มเพลก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถึงเวลาเข้าก็ต้องเข้าถึงเวลาออกก็ต้องออกต่อสู้เพราะยังไม่ชนะจะต่อสู้หน้าเดียวก็ไม่ถูกพอเข้าลุ้มเพะก็ต้องเข้าพอลบก็ต้องหลบฉนันหนก็ดีการปฏิบัติ พระพุทธศาสนากลมขันกันก็มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาแต่สมาธิกับปัญญานั้นถ้าจะว่าให้ละเอียดแล้วแยกกันไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญากลมกลืนเป็นมรรคอันเดียวกันเรียกว่าเอกามร์เอกามร์ในปัจจุบันไปพร้อมกันเลยสัมพยุตกันไปมีกำลัง เมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนๆสัมมาสังโปวาจากรรมันโตอาชีววายามโสติสมาธิก็เป็นไปตามกันเพราะหัวจักพาไปจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดก็เหมือ น, นกันสมาทิฏฐิของพระอรหันต์เห็นชอบในทางที่รุดพ้นแล้ว สมาสักระโปวาากรรมันโตอาชีววยามสติสมาธิก็เป็นสติที่รุดพ้นแล้วกรรมันโตก็เป็นการงานอันที่หมดไปแล้วที่พ้นไปแล้วไม่มีการงานอีกต่อไปไม่มีพยายามอีกต่อไปจบกันแล้วส่วนต่ำกว่านั้นลงมาเป็นหน้าที่จะทาอยู่เสมอเสมอ ถ้าเราจะทำตนว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายช่างหัวมันแต่เราไม่เป็นคนหยาบถึงเพียงนั้นมันไม่เป็นเครื่องอุ่นใจทีนี้ความเห็นเช่นนี้นั้นจะพาให้เราเป็นสุขเราก็ไม่เชื่อมันเสียแล้วทีนี้ตายช่างหัวมันเกิดช่างหัวมันลุงเออย่างนั้น การลงเอ่ออย่างนั้นจะเป็นสุขกับจิตกับใจมันก็ไม่เป็นสุขเสียแล้มันยังเห็นภัยในวัฏฏะสงสารมันต้องการรุดพ้นอยู่ฝนตกอยู่แม่ขาดดินก็ชุ่มการพิจารณาธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่แม่ขาดจิตใจก็ชุ่มจิตใจก็ย่อมพอกพูนปัญญาขึ้น เมื่อพอกพูนปัญญาขึ้นก็พอกพูนศีลสมาธิไปในตัวทีนี้ท่านผู้ใดจะปาลบอะไรก็จะให้มีสิทธิ์ทีนี้จะมาไม่รู้ว่าจะปลาลบอะไรต่ออะไรปลาลบไปปลาลบมามันก็มาหาผู้ฟังและผู้เทศฟังก็คือผู้เทศกระเทศร่วงใจผู้ฟังก็เอาใจฟังจกลงก็ ฟังใจฟังเทศกับฟังใจก็อันเดียวกันผู้ฟังก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศแต่นักเทศเอกก็มีอยู่ทุกคนแล้วความเป็นจริงฟังแก่ก็ไม่ลงธรรมะธรรมะ ก, กายความเก็บก็ไม่ลงธรรมะ ก, กายความตายจากข้าวสายบายเที่ยงก็ไม่ลงธรรมะ ก, กายกิเลสเล่าก็ไม่ลงธรร ม, มาะจากจิตเพราะจิตยังไม่รุดพ้นจากกิเลส ถ้าคิดลดพ้นแล้วก็ขึ้นธรรมะท่นานิพพานี้ก็ไม่ลงธรร ม, มาะอีกละแต่เป็นธรรมะอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเราเข้าพรรษาอยู่ในโลกพระอรหันต์ออกจากพรรษาแล้วขัดสิ้นลมปานไปแล้วท่านก็ออกจากพรรษาแต่ไปเข้าพรรษาอยู่ในพระนิพพานแต่พระนิพพานไม่ได้หยัดบัญชาดอก ยกเป็นบุคลาธิฐานเฉยๆเพราะมัเป็นบ้านเพราะมันเป็นเมืองเพราะไม่มีการเข้าพรรษาออกพรรษาเพราะไม่มีการไปเพราะไม่มีการมาเพราะมันมีการได้เพราะไม่มีการเสียไม่มีการเขียนไม่มีการลบ จางละเอียดและออยากที่พุทธชนคนหนาจะค่าคนเนดเดาโดนได้ใครเป็นผู้จะรู้จักพระนิพพานก็คือผู้รู้จักพระนิพพานนั่นเองจะเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้ลดพ้นก็คือผู้ลดพ้นนั่นเองจึงจะรู้จะรู้แทนกันไม่ได้ ใครเป็นพระโสดาบันเราอยากเห็นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อนเราอยากเห็นพระเก้าคาคามีเราก็ต้องเป็นพระเจ้าคาคามีเสียก่อนเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อนเราอยากเห็นพระอรหันเราก็ต้องเป็นพระอรหันเสียก่อนเราอยากจะรู้ว่าเกลือเค็มหรือไม่เค็มเราก็ต้องกิีดูเสียก่อนผู้อื่นกิีแทนรสเค็มเป็นยังไงใครผมรู้สิ บอกก็ไม่ยอมเชื่ออีกเหมือนกันแล้วผู้อธิบายก็อธิบายยากเข้มเป็นอย่างนั้นเช็มเป็นอย่างนี้คล้ายๆเต่ากับปลาเหมือนกันเต่าขึ้นน้ำได้ลงน้ำก็เป็นแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดอยู่ในโคกไปเล่าเรื่องบกเรื่องน้ำเรื่องโคกเรื่องที่สว่างพ้นจากน้ำไป ให้ปลาฟังปลาเคยอยู่ในน้าําเหมือนตน้มเหมือนคนที่นั่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่เหมือนแหนเหมือนจอกที่นั่นไหมเหมือนขอนไม้ที่จมอยู่ในน้ํำไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชั้นใดก็ดีเพื่อเราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อ เราก็สงสัยถ้าเห็นแล้วก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องหาอีกด้วยฉะนั้นจึงหาเพราะไม่เห็นจึงหาถ้าเห็นแล้วก็ไม่หาในชั้นต้นและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอมอกกายถวายชียเวได้กิจใจต่อพระพุะทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกน์ในวัตฏะสงสารโดยด่วน แล้วกได้ไม่เลิกได้ก็ดีเพราะเป็นข้าเป็นทาสพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพคนทุกในวันตาสงสารโดยด่วน<ม>ตกลงว่าพุทธพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่จิตที่ใจของตนเองไม่ได้อยู่ที่อื่นทําหิ้งไว้ที่ใจพุทธโธแปพระผู้รู้ธรรมโมไปมาสง่งไว้ซึ่งผู้รู้ สังโฆแปลว่าปฏิบัติผู้รู้จกลงพุทธโธธรรมสังโฆก็อยู่ที่ใจแต่ว่าผู้รู้มีหลายชั้นผู้รู้ในพระสวสดาวันก็สูงไปกว่าปุถุชนคนหนาผู้รู้ในสักขาคามีก็สูงไปอีกก็รอบข้อไปอีกผู้รู้ในพระอนาคามีก็สูงไปอีกรอบไปอีกผูู้้ผู้รู้ในพระอรหันต์คือรู้จบแล้วปฏิบัติจบแล้วพ้นไปแล้ว ผู้รู้ในทางรมพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสี่ตอนต่กว่านั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะหลายบางทีถ้าถึงพะโสะดาวันแล้วจะสิ้นลมปาในเวลาไหนก็ตามก็ไปสุคติไม่มนุษย์ก็สวรรค์ ถ้ายังไม่ถึงรสโสดาบันไม่แน่นอนบางทีก็ไปนรกบางทีก็สัตว์ที่รชานบางทีก็มนุษย์บางทีก็เปรตตะวิสัยอสุรกายเพราะยังไม่ปิดอบายภูมิยังไม่ปิดประตูความชั่วของตัวเปิดประตูความชั่วของตัวอยู่ถ้าสดาบันปิดประตูความชั่วของตนแล้วเดินทางไปทางเดียว ความชั่วยาบหยากพระโสดาวันปิดแล้วพ่ะสันรักัป ะ, ะพุทธปิดในกามปิดแล้วเวรมณีเวรมณีเว้นส่วนนี้เว้นแล้วเว้นส่วนนี้เล่นแล้วเวรมณีสิกขาปทางสมาธิามิเป็นสิกขาบทอันหนึ่งหนึ่งซิกขาบททั้งห้ารวมมาเป็นบทเดียวอยู่ที่ใจเพราะเว้นไปหมดแล้ว จะว่าเวรมณีสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่เว้นก็ไม่ใช่เวรมณีผู้ม่ปฏิบัติรท พ, พุทธ ศ, ศาสนาผู้มาเห็นภายในวัตาสงสาร เขาค่ายๆกับว่าพาเศรษฐีไปฆ่ามาเกิดในมนุษย์กับเขามายินดีในพระพุทธศาสนากับเขาเขาผู้ยินดีและปฏิบัติพระพุทธศาสนาเขาก็ไปสวรรค์บ้างไปพุทธโลกบ้างไปเป็นพระโสดาบันบ้างสักขาคามีบ้างอนาคามีบ้างอหารหันบ้างส่วนตัวลงในนรกเสาะกับมาพาเศรษฐีไปฆ่า เป็นวดแดงเฝ้ามาม่วงเจ้าของเขาเอามาเอาไปกินเจ้าของคืออะไรคือกิเลนและความตายวันคืนเป็นวันคืนของใครเอากาตินทิวะมีแต่มืดกับสว่างไม่ได้ยินยันวน่าเป็นวันคืนของใคร วันทิศวันจันทร์วันอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์ข้าพเจ้าเป็นวันทิตศข้าพเจ้าเป็นวันจันทร์ข้าพเจ้าเป็นวันพฤหัสอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์วันก็ไม่ได้ว่าใส่ชื่อเรือนามกันเพื่อรู้กันทําไมถึงใส่ชื่ออย่างนั้นถ้าไม่ใส่ชื่ออย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมาย ท่โลมปะสาทสดาจรงแน่นนักส้าพโลกียริรัตาสัญญาท่านทั้งหลายอย่า ย, ยินดีในโลกทางปวงเถิด อ, อนิทะกะสัญญาจงเบื่อหน่ายในโลกทางปวงเสถิดถ้าพระสังขารสุอานิทะกะสัญญาจงเบื่อหน่ายในสังขารทางปวงเสถิดสังขารโลกโลกคือสังขารจัดโลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน เทวโลกได้แก่ชะกามาพัจฉะหกชั้นพร ม, มโลกได้แก่รูปประรมเจ็หกชั้นกับอรูปประรมสี่ชั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนานจได้จังเกิดขึ้นแล้วกว็แปรปวนและแตกสลายอยู่เป็นรอบๆเรานั่งอยู่เนี้ยนี้ไม่ใช่ที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมานั่งแล้วนั่นเองผู้ชก้อไม่เป็นที่ใหม่ เป็นที่เก่าของเราทั้งหลายแล้วทั้งหลายได้ท่องเที่ยวมานา น, านแล้วเทวโลกพรมมโลกมนุษย์โลกสัตวโลกนรกสวรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นที่ทัศนาจรของพวกเรามาแล้วเหตุฉะนั้นพระบรมาศาสดาจึงยืนยันน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ชาติละยศละยศไม่ให้อันตราทานไป ก็มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่มหาสมุทรกระดูกของพวกท่านทั้งหลายที่มาทิ้งร่างไว้ในแผ่นดินนี้นันนบแต่ชาติหนึ่งๆเอาไว้ชาติละเท่าหัวแม่มือไม่ให้อันตรรานหายไปก็ใหญ่กว่าแผ่นดินคือภูเขาทีโนราชนี้เมื่อเป็นดังนี้ท่านทั้งหลายจงละอาเถิด จงเข็ดเถิดจงหลาบเถิดด้วยแบบใจเย็นเย็นด้วยแยบคลายจงคลายเมาเสียเถิดเมื่อท่านทั้งหลายยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวท่านทั้งหลายจงพิจารณาปวงธรรมสังเวช ท, ที่ตนได้เคยลงมาเสียเถิดมี่แคนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะสําคัญตัวว่าเป็นคนฉลาด ถ้ า, าว่าท่านทางหลายสําคัญตัวเป็นคนฉลาดท่านทางหลายทําไมถึงมาเกิดแก่เ ก, เก็บตายอยู่ในวัดตาสงสารอันนี้มันเป็นทุกข์<ม>พิจารณาอานิจจังทําลายอาวิชชาได้เหมือนกันทําลายวัฏจักรได้เหมือนกันทําลายตัณหาความทะเยอทะยานได้เหมือนกัน ทำลายความเข้าใจผิดได้เหมือนกันขอยเห็นชัดเถิดทำลายอุปทานความถือมัน่นยึดมั่นได้เหมือนกันเพราะเป็นดาบดาบคมกล้าพิจนารณาอานิจจังโย่ยยพิจนารณาทุกขังโย่ยย พี่เจนาอันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่ศัก์ว่าดินน้ำไฟลมเป็นกองทุกข์เท่านั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจริงเหล่านี้ทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานทั้งนั้นก็ลดหย่อนลง เมื่อเห็นทุกในชาติปัจจุบันชัดในชาติอดีตในชาติอะไรต่ออะไรมาตั้งแสนตั้งล้านชาติก็ตามก็คล้ายๆก็ว่าระลึกชาติได้ทางปัญญาธรรมชาติเป็นทุกข์ทั้งนั้นชาติก่อนเป็นอะไรมาเป็นอะไรก็ตามเถิดธรรมชาติก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นจะว่าเขาระลึกชาติได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าเขาระลึกชาติได้ เพราะเขาเอาเอาปัจจุบันเป็นพยานนั่นพยานเอกอนาคตจะเป็นยังไงถ้ามีชาติในพบอยู่แล้วก็เป็นทุกข์เราจะตีความหมายว่าเขารู้ล่วงหน้าหรือไม่เราจะตีความหมายว่าเขามีอนาคตตงสัญญานหรือไม่ก็จําเป็นก็ต้องลงเอยว่าเขามีอนาคตต่างสยานยานในส่วนอนาคตนั่ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทิ้ น, นความสงสัยถ้าไมสงสัยอันหนึ่งอันอื่นก็ไม่สงสัยถ้าไม่สงสัยเกิดก็ไม่ต้องสงสัยแก่สงสเจ็บสงยตายเหมือนกันถ้าไม่สงสัยทุกข์ก็ไม่สงสัยอันนี้จังเหมือนกันก็ไม่สงสัยโลกเหมือนกัน โลกทั้งหลายรวมมาในสังขารโลกโลกคือสังขารมนุษย์โลกสัตว์โลกโอกาสโลกเทวโลกพมโลกรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกมีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สังขารโลกก็มีผลเป็นทุกข์สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกนิดหน่อยก็ไม่ยืนยันพระบรมศาสดาทุกขนาดกลางก็ไม่ยืนยันใส่ชื่อลือนามมาเป็นทุกข์อย่างยิ่ง สังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งชูทางหลายจงมาดูโลกนี้เถิดดุจรถดุจเกเรียนดุจรากชลถในดุจเกเรียนที่บุคคลที่โง่เขลามกอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้ใดพิจารณาทุกหนเนืองๆผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร มาโราปาพิมะมันเกิดขึ้นที่คันธาสันดานของเราบ้านเมืองของมานมันก็อยู่อาศัยขอ ง, ของหัวใจบ้านเมืองของสนิมก็ต้องอาศัยอยู่ที่เหล็ก